สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครับซึ่งเกี่ยวข้องกับ30ข้อที่โซโลมอนนั้นได้เขียนเตือนบรรดาโอรสของพระองค์พี่น้องครับพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ยีบสอข้อยี่สิบสครับเราจะอ่านจนจบบทอย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจนหรือบีบขั้นคนทุกใจที่ประตูเมืองเพราะว่าพระเจ้าจะทรงว่าความแทนเขาและริบชีวิตของผู้ที่ริบเขาอย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธหรือไปกับคนขี้มโมโหเกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาและพวพันตัวเจ้าเข้าในบ่วงอย่าเป็นพวกที่ตกปากรับคำอย่าเป็นพวกผู้ประกันหนี้สินถ้าเจ้าไม่มีอายรําระเขา ทำไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่าอย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะได้เข้าเฝ้าพระราชาเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าคนที่มีชื่อเสียงพี่น้องครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนพี่น้องไว้ว่านี่คือ30มสิบคำกล่าวหรือ30ประโยคครับ ที่กษัตริย์โซโลโมอนได้มีความเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญดังนั้นจึงถ่ายทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยบัญญัติหรือคำแนะนำทั้ง30ประโยคนี้ก็มี10ประโยคแรกครับที่หลายหคนเรียกว่าเป็นบัญญัติ10ประการของคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัตินะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดู5ประการแรกนะครับ ถ้อยคำแรกหรือประโยคแรกได้เตือนสติครับหนักแน่นว่าอย่าเอาเปรียบคนจนนะครับคนยากจนคนอ่อนแอคนไร้ที่พึ่งคนขัดสนคนอ่อนกำลังพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคนขัดสนนั้นมักจะตกเป็นเหยื่อของคนชั่วร้ายที่เวลาฟ้องศาลเอาชนะคะีการกันนะครับเขาสามารถชนะคดีในศาลได้เพื่อเอาผิดคนยากจนครับ โดยอาจจะสร้างพยานเท็จขึ้นมาหรืออาจจะให้สินบนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่แท้จริงแล้วครับพี่น้องคดีของพวกเขาจะมีพระเจ้าครับเป็นผู้ที่คอยดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของคนยากจนผลประโยชน์ของคนยากจนพระเจ้าเข้าข้างผลประโยชน์ของคนยากจนครับคนยากจนนั้นไร้ที่พึ่งคนยากจนที่ซื่อสัตย์สุจริตคนยากจนที่หาเช้ากินค่ำ ด้วยความอุตสาหะวิยะขยันมันเพียยนนี่แหละครับพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเขาพี่น้องครับถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราเช่นเดียวกันครับแท้จริงพระเจ้าเป็นคนที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราครับซึ่งเป็นคนที่ดีอาจจะไม่ร่ำรวยนะครับแต่พระเจ้าก็เป็นพระพรเพียงพอเสมอพระองค์สามารถเรียกคืนทรั์ทุกอย่างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้หมด รวมทั้งชีวิตของเขาด้วยถ้อยคำที่สองครับเป็นคำเตือนไม่คบคาสมาคมหรือเป็นพรรคพวกกับคนขี้โมโ ห, โหคนที่เป็นเจ้าของความกโกรธครับโกรธง่ายครับเป็นคนแห่งความโกรธเกลียวเนี่ยครับการครบหาคนเหล่านั้นพระมปีบอกว่าอย่าไปคบเขาอย่าไปเป็นสมัครพรรคพวกของเขาการครบหาคนเหล่านี้นะครับทำให้เราเดินทางในทางแห่งความโกรธ โกรธเกลียวเป็นความโง่ครับพี่น้องความโกรธเกรียวนี้ก็ทำให้เกิดการแตกแยกการโกรธเกลียวนี้ก็สร้างความบาปขึ้นมาและติดบ่วงครับคนที่โกรธเกลียวหรือมักขี้โกรธเนี่ยนะครับเขาจะติดบ่วงแร่ของชนทกการที่ยุ่งยากและยากเกินเยียวยาพี่น้องครับเรามาดูถ้อยคำที่3ครับการเป็นผู้คำประกันนั้นเสี่ยงครับ การเป็นผู้คำประกันหรือการเซ็นค้ำเนี่ยเสี่ยงครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นหนี้สูงครับและมีโอกาสใช้หนี้สูงด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นในพระบรมพิสุภาสิทธิ์นี่นะครับตักเตือนหลายครั้งทีเดียวว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงโดยการไปคำประกันผู้อื่นนะครับการประกันหนี้สินโดยการยืนยันนะครับสมัยก่อนเขายืนยันด้วยการจับมือกันนะฮะตกลงกันเนี่ยดิว เมื่อไรก็จับมือกันครับถ้าลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชําระผู้ค้าประกันจะต้องถูกบังคับให้ผ่อนแทนนี่แหละครับคือหน้าที่ของผู้รับรองหรือผู้ค้าประกันและถ้าผู้ค้าประกันไม่มีเงินจ่ายก็จะถูกยึดทรัพย์ถูกลงโทษถูกศาลตัดสินครับนะถูกยึดทรัพย์ทรัพย์ที่ใช้ในการยังชีพก็ต้องถูกถูกยึดเหมือนกัน อันนี้เป็นผลของความโง่ครับที่เป็นผู้คำประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นหรือผู้คำประกันให้กับคนอื่นถ้อยคาที่4ครับหรือประโยคที่4ี่พระกัมพีกล่าวห้ามการเคลื่อนย้ายเสาเขตของผู้อื่นหรือหลักเขตนะครับพระกัมพีกล่าวอ้างถึง6ตอนด้วยกันเราจะพบในเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่19บเกข้อสิบทที่27่สิบข้อสิบเโยบที่ยี่สิข้อสสุภาษิบทที่22่สข้อยีนะครับ สุภาษิตบทที่ยีข้อสิเฮโฮเชยาบทที่5้าข้อสิครับนี่แะครับคือการกล่าวห้ามการโยกย้ายเสาเขตหรือเสาที่ดินพี่น้องครับคนจะขยายนาคนจะเรียกว่ามีความต้องการนะครับที่ด้วยความโลภนะมีสิ่งเดียวที่เขาจะทําได้นะครับนอกจากการซื้อขายที่ดินกันมีสิ่งเดียวที่เขาจะทําได้คือโกงครับ การขยับเสาเขตเนี่ยนะครับลักษณะการขโมยครับผิดบัญญัติสิบประการวันนี้เรามาถึงถ้อยคำสุดท้ายแล้วนะครับถ้อยคำที่5ก็คือถ้าอยากประสบความสำเร็จนะครับอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมัง่งคั่งต้องเป็นคนขยันและมีความชำนาญ น, นะครับแต่น่าสนใจครับภาษาฮีบรูก็แปลว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมา หรือเพียบพร้อมนะครับในสรรพสิ่งทั้งหลายในการงานที่ตัวเองทำนะครับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ฝีมือทักษะของเราและความมีชีวิตชีวาการเป็นคนขยันเอาชนะนายครับนะต้องเอาชนะนายให้ได้ด้วยความดีนะครับอย่าเอาชนะนายให้นายเคิบเคิมโดยการใช้คำพูดใช้ปากในทางที่ไม่ดีไม่เป็นความจริง นะครับนี่แหละครับนี่คือความขยันหมั่นเพียรความขยันขันแข็งย่อมส่งผลให้มีการเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จรับผิด ช, ชอบสูงขึ้นการได้ยินชื่อเสียงในฝีมือการทำงานก็จะเป็นเหตุให้หลายหลยคนรวมนะรวมถึงเจ้าพ่านผ่านเมืองอยากจะรู้จักเขาอยากจะให้เข้ามาช่วยงานอยากจะแจ้งเขาในการทำงานนี่แหละครับ ความเป็นคนขยันและชำนิชำนาญมีทักษะก็จะชนะใจคนรอบข้างครับในเวลาเดียวกันนะครับก็จะสะท้อนกลับมาเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้กระทมนี่เองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจถ้อยคำทั้ง5้าถ้อยคาผมจะขออนุญาตสรุปนะครับการที่เราจะมีทรัพสมบัติได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ ประการแรกก็คืออย่ารังแกอย่าเอาเปรียบคนยากจนประการที่สองครับเป็นประโยคที่เตือนไม่คบหาสมาคมเป็นพักพวกกับคนขี้โมโ ห, โหครับนะครับคนขี้โมโหโถ้อยคำที่สามครับอย่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงก็คือการเซ็นคำประกันการเป็นหนี้นะครับ พี่น้องครับการรับประกันหนี้สินโดยการยืนยันนะครับสมัยก่อนเขาจับมือกันนะครับอย่าลืมครับถ้อยคาที่4ี่ครับอย่าไปเคลื่อนย้ายเสาเขตเก่าแก่นั่นคืออย่าโกงครับอย่าโลภนะครับอย่าโลภถ้อยคาสุดท้ายครับเราต้องเป็นคนขยันนะครับเราต้องเป็นคนขยันเราต้องมีทักษะพี่น้องครับนี่คือหลักคิด ของคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะมีความมั่งคัง่งมีทรัพยากรอเมน